เรามาเรียนตามพ่อกาะตามครูหรอมีครูบาอาจารย์ไม่ฉช่เรด้นด้านคิดเอาเองพระเจ้าสอนว่าให้มีสติดูกายสติปัฏฐานเป็นทางอเด็กเห็นกายในกายเห็นกายจกว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลโตอตอนโลเขาแล้วเราก็เห็นกันทุกคนต่อในที่เห็นกายนี่คือสติคือความรู้สึกตัว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 แล้วก็เมื่อยตื่นนั้ น, ม น, นไม่เห็นแจ้งตรงนี้เวทนาก็ดีที่มันเกิดขึ้นรวบรวมเอากายเอาใจมาเป็นเวทนาเอารูปเอารสเอาเสียงเอากิ่งมาเป็นเวทนาเอาตาเอาหูเอาอะไรต่างๆอาจนะายนอกระไบในซึ่งเป็นประตูรับอากันตุกะเข้ามาเราก็ร่วมมือกับเขาเรียกว่าเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ร้อยประตูที่เป็นสุขเป็นทุกข์เกิดกับปายเราเกิดกับใจเรา เราก็รวบยอดแน่ว่าเหมือนกันกับเพียนกายสุกทุกขไม่ใช่ตัวใช่ตนเราก็รู้แล้วไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาที่เป็นเวทานี้ถ้าเราเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าผ่านได้เกรดดีถ้าเราเป็นไปนกรรมันไปโุขเป็นทุกข์ของเราเป็นพบเป็นชาติอยู่ตรงนี้มันก็ไปไหนไปได้โซ่ไม่แก้แกุญแจไม่ไขก็หลุดออกไปได้เลยคิดก็เหมือนกันมีไหมมีมันอะไรจิดอะมันคิด เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะความคิดเหตุผลเกิดจากความคิดบันญยัดเอาจอากความคิดว่าชอบว่าไม่ชอบเอาความคิดเป็นใหญ่เหตุผลเป็นใหญ่ไม่มีความรู้สึกตัวไปตามอาการของจิตที่มันจังการโดยที่ไม่ใช่ความถูกต้องก็มีอย่างที่เราแปล<ฮ>พังขมาธมามโนเจต้ามโนวิยาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหวนัวหน้าสาเร็จแล้วที่ใจแต่แปลผิดไปหน่อยน่ ทำทั ia, sa, sa su, tamam ้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหามีใจประเสริฐสุดไม่ประเสริฐถ้ายังไม่ฝึกห่างสาเร็จแล้วที่ใจถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่ประเสริฐถ้าใจไม่ฝึกไม่สําเร็จสําเร็จแบบไหนสําเร็จแบบทําชั่วทําชั่วได้สาเร็จสําเร็จแบบทําดีทําดีได้สําเร็จไม่ใช่สําเร็จประเสริฐถ้าทาชั่วการทําสําเร็จไม่ประเสริฐเลยไปฆ่ากันไปป้นไปขี้ไปกองเกินไปขโมยสิ่งของ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 ท่านเราเดินจะกลมอยู่เรานั่งสร้างเยาวาอยู่มันคิดก็อย่าไปกับมันเห็นว่าอันคิดเป็นตัวหนึ่งตัวรู้สึกตัวนี้เป็นตัวหนึ่งเวลานี้เราไม่ใช่มานั่งคิดเรามานั่งสร้างความรู้สึกตัวมาเดินให้รู้สึกตัวเรเดินไว้หน่อยตบเท่าสักหน่อยชั่วโมงหนึ่งอาจจะเป็นหมื่นหมื่นเก้าหลังาเดินไาเจ้านี้เป็นหมื่นเก้าตีสองว่า<อ>ใช่แล้วชั่วโมงหนึ่งจนถึงตีขอ้องน่ะอาจจะเป็นหมื่นเก้ารู้ทุกเก้าหมื่นเก้า ชั่วโมงหนึ่งมื่นลู่จะเป็นยังไงถ้ามันหลงเป็แยงไปอก็หลงไปกับควาคิดแต่ถ้าเรารู้มีประโยชน์แต่ถ้าเราหลงไปกับบั้งไม่มีประโยชน์เรียกว่าไม่ผ่านถ้ามันคิดใปรู้สึกตัวตรงนั้นเป็นประโยชน์เรารู้สึกผ่านได้เรียกว่าเกรดดีนะธรรมก็เหมือนกันธรรมนี่คือความพอใจกวามไม่พอใจมันเกิดจากกายจากใจกากเวทนาเรียกว่าธรรม ความพอใจความไม่พอใจความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นมาเช่นหลวงพ่อเดียนถูกสอบปรลรล่มเพียงแต่เห็นก็บัรยากาขึ้นมาพอใจเพียงแต่เห็นบัรยากาขึ้นมาไม่พอใจเพียงแต่ได้ยินทางหูบัรยากขึ้นมาชอบไปยินทางหูบัรยากขึ้นมาไม่ชอบเรียกว่าธรรมทั้งนั้นความพอใจความไม่พอใจเป็นธรรมงอใจของธรรมนี่เรียกว่าธรรมทั้งหลายไม่ควรยึดมัน่นถือมันนะ อะไรที่พูดออกมาอย่างนี้คือสติสามัญชนยะเพราะนั่นเนี่ยมันจะไปบัญญัติหลังผู้เรียนถูกสอบวอลมอาจารย์สวรมเป็นยังไรยมเชื่อานไม่เป็นอะไรครับโอ้ปฏิบัติม า, มาปฏิบัติมาหลายวันไม่เป็นอะไรไปเข้าไปห้องกรรมฐานอีกใหม่หลังผู้เรียนก็โอ้ยอาจารย์เน่ยมาถามกันอย่างนี้ก็ตอบอย่างนี้ก็ตเสือเปรียบเหรอ เราจะต้องตอบให้มันดีๆหน่อยเมื่อไรอาจารย์จะมาถามอีกเนาะพอหลงพอเถืนอนประสบการณ์อะไรอะไรเลยเห็นมาแล้วอะไรไม่เป็นอะไรจากการที่ปฏิบัติหลายวานอาอนันรอเมื่อไรเนาะอาจารย์จะมาสบอบประลงพออาจารย์ไปสบอบประลงอีกเป็นไงยอมเชิงคานมานี่ก็พูดให้ฟังก็งรู้แหละรู้อะไรรู้ลูบรู้น้ำเอ้าคนไม่รู้ลูบลูน้าก็คนบ้าล่ะเอ้าผมเป็นบ้าใช่ไหก่อน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 แต่นี้ต่อไปจะไม่เอาลูกนี่ไปทําชั่วจะเอาลูปทำความดีจะเอาน้ําทําความดีจะเอาน้ำำาําไม่ทําความชั่วคุยโวไปก็ถ้าจะคุยมากก็เยอะแยะก็เลยแล้วก็ถามต่อไปว่าสมมุติว่าโยมเชิงคารอยู่เท่าบาอธรรมาอยู่วัดมุกหลังสีสักดาลามเนี่ยอธรมาสั่งให้โยมเชิงคารมาหา แต่ว่าทางที่จะเดินทางมาจากถ้าบ่อมาวัดเนี่ยมันมีดอนดังมีเสือถูกยิงมันเจ็บมันดุมันใส่มันใครมาก็กัดคนตายมาหลายคนแล้วแล้วยอมยังการอยู่ถ้าบ่ออาตมาอยู่เนี่ยสั่งให้มาหาจะมาหาไหมก็มาหาสิอาจารย์สั่งมายังไงมาแล้วเสียจะกัดเอ้เพราผมผมยังไม่เห็นเสือเนี่ยถ้าผมเห็นเสือแล้วผมมาจะดฆ่ามันก็ได้ ผมยังเป็นเสือผมจยกลัวทําไมผมจะยังอาจจะไม่กลัวก็ได้ผมจะฆ่าเสือตายก็ได้โอ้ไม่มีใครฆ่าเสือได้มิเดกัดเสือหระมันกัดก่อนว่าะไม่เป็นไรให้ผมเจริก่อนแต่ว่าอาจารย์สามมาเข้ามาอาจารย์ก็ถามตบอบแบกว่าเกลือเป็นเช็มไหมเจอมยชางคาันเกือก็ไม่ได้เชมเลยเกือมันอยู่ในทอมันอกผมอยู่นี่ผมไม่ได้เชม็มเ อ, อ้าเกือมันต้องเชม็มแ่ะพูดอะไรอย่างนั้นเกือทำไมว่าไม่เชมมัน เกลือมันอยู่ในถอต่อเมื่อมากระทบกับลิ้นผมผมใจจึงตอบได้ว่ามันเม็มโอ้พูดนังก็ได้เลยพูดองนี้แหละอา่าพริกเหรไม่เผ็ดไหมอา่าพริกก็ไม่เผ็ดอาาวว้าวบาลเด้อไปพริกไม่เผ็ดดีแล้วเกลือก็ไม่เ็มเอา้าพริกมันอยู่ในกระถอดหรอนอยู่ต้นมะโ น, น่นผมอยู่เนี่ยผมจะเผ็ดจางไงไม่เผ็ดถ า, ถามไวตอนน้เลยหมายคุณ่าอย่างไรหมายความว่าเราสมมติปัญจัติพอเขาพูดสรรเสริญดีใจ เขาเนนธาเสียใจมันปีรถชาติเท่าไงเป็นสุเพราะสันเสริญมีไหมเป็นทุกข์เพราะเนนธามีไหมบัญญัติเอามีรสชาตเนนทาก็ดีใจเสียใจสันเสริญก็ดีใจได้มาก็ดีใจเสียไปก็ทุกข์ใจอะไรต่างๆมันบัญญัติเอาจริงภายนอกมาห้อยมาเขียนไว้กับใจเราเอาใจเราไปห้อยเขียนกับจริงภายนอก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 ไม่ใช่แบบสมมุติทั้งธนรมะด้วยทั้งสมมุติด้ว ย, ม, วยมันมีสม ม, ม, ม, มุติอยู่ในเรามันมีธรรมะอยู่ในเราสมมุติคือบัญญัติดเดาว่าชอบว่าไม่ชอบเพราะวัตถุภายนอกภายในบัญญัติเดาว่าของจริงถ้าเราลักก็ลักจริงๆถ้าเราโกรธก็โกรธจริงๆรงามตามความรักทำตามความโกรธหลวงวโรนต่อไปเท่านี้อาจารย์ก็ว่าอา น, นาุวมทนาเลอโยมฌานเลย ร้อยคนจะมีหนึ่งคนตอนเนี้หมายก็ว่าไงหมายถึงรู้จากปรมาทิตเลยทีเดียวว่าสมมติเนี่ยบัญญัติวัตถุอาการต่างๆมันล่นลลกโลกมันเต็มไปด้วยสมมุติด้วยบัญญัติแล้วเป็นสุขเป็นทุกข์พอสมมติบัญญัติ ม, มากแล้วจึงมาดูมันเนี่ยเห็นธรรมจากว่าธรรมไม่ใช่จัตุปกรณ์ตัวตนเราเขาเห็นไหมผ่านตรงนี้ไหมทุกคนต้องเจอเหมือนเกิดทางไปตรงนี้ มันจะมีอะไรตรงนี้มันทางมาสุโกโตมันหลงตรงไหนบางคนเขาก็มาบอกให้เขียนป้ายแล้วก็ยังไม่เขียนป้ายเท่าที่ควรอาจารย์ตุ่มมาเขียนอาจารย์ตุ่มอยู่หกปีเจ็ดปีมาเนี้ยไาเขียนป้ายแต่ก่อนเราไม่เขียนแต่ก่อนสุโกโตก็เพียงเขียนว่าป่าสุโกโตคนมาหาออกไหมเป่าสุโกโตนะมันประวัติเลยเป็นบ้านนาะหรือเป็นอุทยา น, ยนอะไรนาะ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 เลยมาเขียนเป็นวัดป่าสุกุโตที่จริงมันวัดเอราวัณแต่คนส่วนมากเรียกสุโโตเพราะว่าเพราะว่าที่นี่มาดีไปดีอยู่ดีปฏิบัติดีน่ะสงแล้วการพูดการพบกันทุกวันนี้หมายถึงโอบอารมณ์ไม่จำเป็นต้องให้ไปถามเป็นตัวเป็นตัวไปเราสอบตัวเองเราตกตัวเองเราผ่านตัเองถ้าเราเห็นกายจะเป็นไปกับอาการทั้งหมด อะไรก็ตามมาช่กันแม้แต่รูปรถเสียงเสียงที่มันมีเกี่ยวข้องกับกายกับรูปทำน้ำทำนี้ให้เราเห็นมันเราจรึงจะอยู่กับโลกอย่างสง่างามศิละปะการอยู่กับโลกอย่างงดงามเขานินทาเราก็เขาไม่รู้เนาสงสารเขาเขาเสรฉันเราเร า, เรารู้ตัวเองกวัวเขารู้เราเราไม่เป็นไปกับเขารู้ ไม่ใช่ดีใจไม่ใช่เสียใจเรียกว่าอะไรเรียกว่าโลกกระทำคนส่วนมากตกอยู่ในโลกกระทำคล่องงั่มอะไรโลกกระทำบ่ะอย่างที่เราสวดเราตกคล่องมา่มแล้วอมจราแฉะเท่านำเข้ามายั่งยืนเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจ้าใจทั้งนานอะไรที่เราสวดไปนะ่ะมันเป็นโลกกระทำอยู่ในเราก็สังขารโลกรูปโล ก, โลก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 อเอาไปขีดยาขึ้นเตียงหมอเอาเข็มยาโดดลงเตียงนาทิวิ่งออกปไปดูไว้ยืนอยู่นะ้าโรงไปบาบาลลานยาขี้มือแตอ่มันจะฆ่ากูเลยนะ่ะกูไม่รู้นะถ้ากูรู้ไม่ทานอนกูตายแน่นอน <ś class ic> อไปขี่มือขี้ม้าอยู่โวยวายโวยวายยมากโกรธหลงพ่อด้วยมากโกรธหลงตาด้วยว่าอาจะเอาให้เขาไปฆ่าอะไรไปพูดทําทำไงดีหมอหมอบอกว่า เออตำรวจนะเออตำรวจมาจับแล้วมามัดมันไม่ขี้ใจให้มันขี้ใจให้มันนอนหลับซะก็เลยเออเอเราจะพามันกลับบ้านเนี่ยจะทำไงถ้ามันนอนมันหลับมันจะตูดลงรถหรือมันจะตายเลยไปไงหรือจะฆ่าเราซะเราก็เป็นหนุ่มแล้วเราก็แจ๋แล้วก็ไปกับคนขับรถสองคนก็เลยไปพูดเฮ้ยจ่อยเอ้ยมึงเนี่ยดีทีไปกูจะพามึงกลับบ้านอยู่นี่ได้เลยอเขาจะฆ่ามึงเฮ้ยมันจะฆ่าเราเนอะ ไปๆกูจะพาะมื่กลับบ้านไปขึ้นรถเร็ววิ่งวิ่งขึ้นรถปิดกระจกปิดประตูหลังนะไม่วันข้างนั่งข้างหน้าด้วยนะแต่ก่อนให้มันนั่งเก่งข้างหน้าด้วยอันนี้บอกไปนังข้างหลังเลยไปบอกหมอคุณหมอเอาอยานอนหลับให้อาตมาอาตมาจะไปให้หม อ, อมาทำวิจิตรให้เจ้าจ้างอาจารย์ไปไปบ้านมันหลอกวันขึ้นรถปิดประตูหน้าต่างก็ไม่เปิดเลยมึง่าเปิดหน้าต่างนะมันร่อนสร้างคมามมันมันร่อนอยู่นี่ะไอ้เบี้งมามาถึง วัดปล่จกรโตเปิดหน้าต่างออกงอเงยไหลยโสมเลยจ น, นหน้ามันแล้วก็วันต่อมาก็พาไปหาหมออนามัยเอาอีกเหมือนเดิมละ่ะพอไปอนามัยพอจะคิดจ่า ก, ก็ตะลดนลงใจวิ่งมาถ้ารถพอดีรถจอดฉาญจอดอยู่หนตาก็เด็นหนาบอกว่าจับประกายนีน่ไงว่ากี่ยวกคนโดยสารก็รูปจับมัดมันเลยหิวโอนขึ้นสานเนใหม่เออจิดจาให้ ลิ่นมัดไว้จับราหลายคนพอชิจาร์แล้วเอ้ยห่อเอ้ยแม่เอ้ยเยขาจะาคาใครแล้วมัดช้อยคนนั้นเนอพอเอ้ยก็จะนุกดีเลยหัวโลบอ่ะเนอพอจิจาแล้วหัวโลอ่าหมอบอกว่าเอาอมันขึ้นรถไปแล้วมันจะหลับลกันหลักลว่าวัดจักโตลากคอมไปนอนที่สละันหลับสองวันสองคืนอ้าจำนนหน้ามึงเลยวะเอาไปาเอาไปหายเดี๋ยวนี้ เดี๋ยนี่มาอยู่ใ น, นแล้วรอยเปอร์เซนแล้วเป็นว่าอยู่จังขคอกินน้าตะครองในตลาดไม่เบื่อไม่เมาเลยไปกรอบกินน้าไหลตาตลาดปลาดสดดูดน้ำกินของเสรจอของเหลือใบนอนให้โยงกัดไม่มีอะไรเลยเลือดบ้าหมาบ้ากัดก็ไม่เป็นบ้างูกัดก็ไม่ปวดพวกเนี่ยอันเป็นบ้าเลือดบ้ามันเอาไปกินน้ําไหลจาก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 ถ้าเกิดไมได่ีเข้ามหาวิเลยไม่ได้ต้องนับตั้งแต่ปฐมในไป อ, อะไรเกิดซีเจเลยเอาไปอ้าง่ปเอาไปเข้ามัธยมเอาไปเข้าชันดมมหาวิเลย ไ, ได้สบายเลยการปฏิบัตินี้ก็เหมือนกันนั่นแหละต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นภาวะที่รู้ให้มากๆ ม, มันก็ไม่ยากความลุ้เอาัยใครก็ไม่ได้ต้องอาศัยตัวเองมันมีบทเรียนอยู่ตลอดเวลา ความลู้ควาหลงกันคู่กันโชกันอยู่ตลอดเวลาความสุขความทุกข์มาอะไรก็มันเกิดเยอะแยะเลยเราเน่ยโรคกอดหลงจิตเดชนะราคะวิชาตหวาวบัณฑ์มีเยอะแยะเลยดงนะเนี่ยชีวิตของเราเนะป่าดงผงไฟมีทุกอย่างอยู่ในชีวิตเราเน่ยความรักกม็มีความจังก็ดีมีความโลคความโกรธความหลงจิตเดชนะราคะก็มีแล้วแต่บัญญัติ วัตถุอากาศสั่งงานเราวัตถุอา ก, ากันก็เต็มไปด้วยโกูกมีท้องฟ้ามีก้อนเมฆมีน้ำฝนมีแสงอาทิตย์มีแสงแดดมีละอองหนาวมีอะไรเยอะๆไปเลยเเเเาาเบตย่ต้องทุกข์ได้ไหมเป็นเห็นเป็นธรรมชาติเปนอาการแม้จะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ต้องทุกข์เลยไม่ต้องทุกข์เลย มันทำได้จริงๆนะเมื่อจึงเหนือการเกิดเจ็เจ็บตายได้จริงๆอ่ะนี่อันที่ปัสสาวด า, า, าของเราอุบัติขึ้นมาได้ลกเพื่อมาโปรดสัตว์ทั้งหลายคือคนเราเนี่ยมันมีอยู่ในตัวเราความรู้ความหลง ม, มีในตัวเราความสุขความทุกข์มีในตัวเราบางทีก็เปลี่ยนกันสุขก็เป็นทุกข์ได้ความรักกลายเป็นความชังได้เคยเสียใจเพราะความรัก เคยดีใจเพราะความรักคนดีเราก็รักก็ทุกคนชั่วเราก็ทุกมันเป็นทุกไม่ทุกได้ไหมแต่ทุกคนต้องพัดพาคจากกันไปถ้าไม่ทําใจตรงนี้มันจะประเสริฐได้ไงคนเราเนี่ยก็เลยสอนเอาไปมาก็อยากเห็นเยี่มให้ลงตาดูชักหน่อยวางใจชักหน่อยเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่ไปคิดอะไรเดี๋ยวนี้อันเดี๋ยวนี้มันละเดี๋ยวนี้ได้ เปลี่ยนทวงทุกเป็นความไมทุกได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไปลมลี่ลำไรพี่ไรลำพันุอะไรเจอกว่าดดกําหนดรู้โดยการรู้กําหนดรู้โดยการบรรเทากําหนดรู้การละอันความทุกข์นี้ไม่ใช่บรรเทาเป็นการละได้เลยหนูเอ้ยอันความหิวหรือบรรเทานะทุกพอความหิวต้องไปกินข้าวลูกพรอการหนาวต้องไปห่มผ้าทุกพราะอการร้อนต้องไปอาบน้ํา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 มันก็เหมือนกันนันความทุกข์คนดีก็ทำให้เราคนรักก็ทําเราเป็นทุกข์คนไม่ดีแล้วก็ทําให้เราเป็นทุกข์มีไหมพวกเราเนะี่ยทุกข์เพราะคนไม่ดีมีไหมทุกข์เพราะคนดีมีไหมทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเอาคนอื่นมาห้อยใบเขนเอาใจของเราไปห้อยเขียนไว้กับคนอื่นไปฝากไว้เลยต้องเป็นตัวของตัวจึงมาผ่านตรงไหนบ้างเห็นมันเห็นมันมีกันทุกคน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 เห็นมันอาจจะเป็นไงทุกนี่เป็นการเห็นเป็นกันล่ะทุกพระเจ้าเห็นอะไรเห็นทุกตัดจัลุ่นี่ยเห็นทุกอะไรเป็นทุกสมุทัยสมุทัยต้องละโลดธรรมะแจ้งมักเป็นทางออกการมีสติเนี่ยสมบูรณ์แบบที่สุดเลยอ่ะสังขารกันละ่ะสมุทัยกันเลยคือความหลงเมื่อมันหลงก็โปรงแต่งไปสังขารคือมันขยันปรุงขยันคิดขยัน อะไรพอใจกับจางนั้นที่นี้ไปไหลเรื่อยสังขารเหมือนน้ำไหลาจากที่สูงลงตที่ต่ําอะไที่เป็นผลผิของสังขารน่ะไม่เที่ยงทางนั้นไม่เที่ยงเลยเหมือนนายช่างปั้นหม้อหม้อลูกไปที่นายช่างปั้นขึ้นมาแม้จะงามจะขี้เหร่จะเล็กจะโตก็แตกทางนั้นผิดผลของสังขารนี่ขี้หน้าอะไรว่ะมันไม่เที่ยงดอกมันไม่ใช่ตัวตนเลยสังขารน่ะเห็นแจ้งจริงๆอ่ะสมุไถ่ อ่าก็อะไรพระพุทธเจ้าตต่สรลปมันเห็นไปอย่างเนี้ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเราได้สวดไว้ไม่เชื่เนี่ยผู้ใดเห็นว่าพระพุทธเจ้าผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมเฮ้อันนี้คือความทุกข์สมุทัยที่มันจะเกิดทุกข์มักคือดูเวลาเราเจริญสติมักคือภาวะที่เห็นที่ดูเห็นแล้วไม่เป็นกับมันไม่เป็นกับมันมันสุขก็เห็นมันสุขมันทุกข์ก็เห็นมันทุกข์มันหลงก็เห็นมันหลง มลู่เห็นมันลู่มันปุ้งซ่านเห็นมันฟุ้งซ่านมีกันทุกคนว่าในสอบถามนักปฏิบัติมันก็จบลงบางแต่ก่อนมันหอบมาอาดีตก็ามาอนาคตก็ามาวิ่งไปข้างหน้าวิ่งไปข้างหลังจิตใจของเราเนี่ยออกมาลู่ตรงนี้นก็เป็นปัจจุบันอความคิดก็น้อยลงกับพ่อแต่ก่อนความเพียรบกวนเตี๋ยวนี้น้อยลงไม่คิดอะไรมีแต่สติ เมื่อไม่มีสติเก็บมันว่างไม่ปรุงไม่แต่งจะทําไงต่อไปเขาก็บอกว่าอาถ้ามันสงบมันไม่ปรุงก็ดีแล้วเหมือนน้ำที่มันนิง่งแล้วก็ส่องดูใบหน้าเราได้แต่ก่อนหนา้ามันกับเพื่อคิดตนคิดนี้ไปขา้างหน้าไปขา้ปขางหลังคนหนุม่มคิดไปขา้างหน้าคนชราคิดขึ้นข้างหลังอวันนี้มันไม่ไปมันอยู่ปัจจุบันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตลู่อยู่ลู่อยู่ มันก็หลอกไปได้คนคิดหลอกไปได้ใจก็ว่างลงว่างลงว่างลงนะมันมนิ่งก็ดูเง า, ด, เงาดูเงาตัวเองสองหน้าคกนผมทาแป้งแต่งตัวได้อากิตที่มันนิ่งแล้วก็อย่าไปอยู่ย ก, กับความเน่งยกเกียตขึ้นสู่วิปัจนาภูมิเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมอย่าให้มันว่างเฉยๆมันจะไปว่างอยู่ละมันจะไปสงบเป็นสมถะไปคนปฏิบัติธรรมตายอยู่ตรงนั้นเยอะแยะ บางทีก็รู้อะไรเป็นวิป จ, จันทูไปเลยรู้มากดีใจดีใจรู้อะไรสงบปัจจิสงบสบายไปเลยก็อยู่ตรงนั้นล่ะจะเป็นสมาธรกามฐานสมากรกามฐานนี่เกิดก่อนวิปจนาสี่ห้าพันปีนะวิปจนาเกิดที่พระศิตรัท่าได้อวบัดขึ้นในโลกเป็นพุทธเจ้าเนี่ยก็เลย เคียงว่าอย่างไรสมรรถกรรมฐานวิปัจจากรรมฐานสารศาสกรรมฐานนี่สอนง่ายวิปัจจากรรมฐานต้องขยันหน่อยต้องขยันรู้สมรรถนี่เอาให้นั่งนิ่งไปเลยหลับตาอ่านิ่งบริกรรมวุฒิโตหรืออะไรว่าไปว่าไปให้บีบมันเข้าไปบีบมันเข้าไปจะมันนิ่งอ่าแล้วก็ตัวแข็งได้อันนั่นเคยทํามาแล้ว แต่อายุ17ปีเป็นหมอใช้ศาสตรฝึกสมรรถกรรมฐานมาถ้าไม่ฝึกอะใชยศาสตร์ไม่ดีไม่เขี้ยวขาดถ้าจะไปดูผีไล่ผีต้องบริกรรมคาถาไล่ผีถ้าจะไปจับโจรร้ายต้องบริกรรมคาถาโยงคงกพันธ์มองมีดเหมือนกับใบญยาจึงจะนอนได้ถ้าจะไปจับโจรสมัยก่อนโจรผู้ร้ายรักหัวลักควายถ้ามองมีดไม่เป็นใบยาล่ะเรียกว่าบริกรรมไม่ได้ต้องบริกรรมใจสงบ มันก็ยังมีกิเลสต่านะความโลภความโกรธความหลงอยู่แต่ว่าวิปัช น, นีลื้อถอนเลยเอายเหลืองปัญญาลื้อถอนได้เลยหมดเลยนะไม่มีคำ ว, ว่าทุกข์เลยมีแต่ปัญญาอย่างที่เราเรียนพระสูตรต่างๆเรียกว่าภิกษุการเจริขาของภิกษุภิกษุคือผู้เห็นภยัยมีไหมความหลงใ่ญ่เราไปไหมความโกรธไปไหม ความทุกข์มีหมายความปอใจเสียใจมีไห ม, ม, ม, ไหมที่เรามีภัยแล้วตอนที่เราจะพิ่งใจร้ายเรียกว่าผู้มีภัยไปทางใจอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วว่าเห็นภัยทําไมมีการศึกษาศึกษาง่ายคือฉินสมาธิปัญญาศินสมาธิปัญญาทํำไมไปว่าปาณ า, าิปาตาหรือบางทีก็หลอกค่ะสุราเมลยะยังกินเหล้ายัง มีอยู่ยังมาหลอกครับว่าจุลาเบระยะสมาทานบางคนก็บอกว่าจุลาพ่อพระนําหน้าไปข้อนี้ไปเอาดอกวันนี้เอามาแล้วเมา อ, อยู่ก็เมยมันตลกไปไม่ใช่อันนั้นเป็นศีลศีลมันคือเจตานางดเป็นคืออะไรเรารู้จึกตัวเนี้ยมันเป็นศีลไหมเราไปพูดอะไรเราไปทําอะไรเราไปคิดอะไรเพียนแต่คิดก็อายแล้วไม่กล้าคิด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 เปลี่ยนลงเป็นรูปเปลี่ยนทุกเป็นรูปเปลี่ยนอะไรอะไรง่วงเหงาหานอนเปลี่ยนมาเป็นตัวรู้เป็นชิดพงชา้านเปลี่ยนมาเป็นตัวรู้เนี่ยมันทำได้จริงจริงอเรื่องนี้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ปฏิบัติทำเนี่ยไม่ใช่มาขอมาเอาอะไรมาเชื้อมาหามาอยู่กับเราอยู่แล้วภาวะตัวรู้ตัวนีน้จึงมารวมกันเถอะพวกเรามารวมกันมาลาดับมาลานา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 ให้อาจารย์ไปคนบอกคนนริยานสี่คนนัตตยานสิบหก ย, ยานคือภาวะล่วงผ่านใปพ้นหรืออยา่างล่วงข้ามไปข้ามจากที่สุดคือการเกิดแเจ็บตายข้ามได้หรือยา่างถ้าไม่มียานไม่จะให้ใครมาบอกว่าได้ยานเท่าไรนี่เลยยานคือข้ามไปพ้นไปหลุดไปขนส่งไปหลรงตาใครพูด อ, อบรมพระนักบวชของศาสนาอื่นเรามาขนส่งกัน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 ไม่เกิดไม่เจ็ไม่เจ็บมันตามีสามลากเอาไหมจะบอกอย่าเหนือการเถิดจเจจะตายมีสามลากช่างหัวมันมีไหมเคยว่าไหมไม่เป็นลรเคยว่าไหมเป็นเช่นนั้นเองพ้นแล้วถ้าใครว่าช่างหัวมันเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเป็นบุญอภัยทานอเขาว่าอะไรก็ช่างหัวมันเคยว่าไหมสามีพัญญากันเน่ะเออจ้างเราท้อ ไม่เป็นไรดอกให้ไปกันได้แต่ที่จะด่ากันไอ้ช่างร้อช่างเธอช่างเธอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรล่างไปอ่าไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยก่อนโรงพยาบาหลวงตาสอนเดนินเดินสองคนเดินม า, มาชนกันพอชนกันล่มท้งระดับลูกก็มาต่อยกันเลยมีไหม <c oughs> มึงมองหน้ากูมไม่ใช่พ่อมึงนะบางทีหลวงตายังเห็นเลยแต่ก่อนนั่งรถ โดสารไปจำทางรถสีช่อมจอดที่เลาบงรายน้ำลำไยน้ำลำไยถงหนึ่งสองบาทถงหนึ่งสองบาทลำไยลำใดถงสองบาทสองบาทยืนขึ้นตามหน้าต่างรถนิยมก็เอาไปสานมานเราละ่ะถงละบาทได้ไหมถงละบาทแปลน้ำเยี่ยวแม่บางโน่น้อ <c oughs> โอ้ยคนเราเนี่ยนาะแล้วคนที่ได้ยินก็บา่าก็โกรธถ้าเราทําใจเสจะได้ไหมไม่เป็นลไร ได้ไหมสองนั่นนะฮะเพี้ยนไล่เป็นดีชั่งหน่อยได้ไหมมีไหมคนที่บ้านเราด่าเราทํางานร่วมกันเป็นใบบานทํางานเป็นเทืกแม ง, งไม่เป็นไรผิดแล้วแล้วไปชากหัวใช่เออคมไล่คมดีคนเราถือสาเรื่องกันไปได้นี่อย่าหลุดพ้นให้ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรสองคนเนรน้อยล้มลุกคนสังภาพหนึ่งลุกขึ้นมาต่อยกันเลยอันนั่ะ ไม่มีช่างความบันไม่เป็นไรเอาภาพที่สองให้เนินเดินไปชนกันล้มลุกขิดวมาขอโทษครับไม่เป็นไรทาใจได้ไม่เป็นไ ร, จไไ เ, นไรเจ็บไหมครับไม่เป็นไรเจ็บพอๆทนได้ผมผิดนะไม่ใช่ผมก็ผิดท่านขอโทษนะทุกคนถอไม่เป็นไรเลยไม่ต้องตีกันเลยไม่ทะเลาะกันเลยมีไหมพยัยฐานเกิดกันแล้วเจเราได้บุญ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 เขาบอกกันด้วยอะไรที่พ่อบอกกันเลยเช่นเราสามีพญยาเนัยเราสองคนนะจะทุกดีมีจนเพราะเราสองคนนี่แหละจะที่อะไรผิดก็บอกเราด้วยไม่ได้ถูกก็บอกเราด้วยเวลาบอกลาเตือนกันอย่ากโกรธกันนะอย่าลงตาบวชพระหมดเนเ น, เนเนี่ยให้นิสัยข อ, อนิสัยต่อไปนี้เราเป็นพระโตกันนะพระของเราทั้งสองฝ่ายเคยมีตกกันแล้วเกิดขึ้นแล้ว พระของเราต้องบอกต้องสอนนะให้เป็นคนดีพระของคุณก็ต้องเชื่อฟังเรานะอย่าดื้อดืงเอาใจใจมีใจ ย, ยังไงมาเวลาสอนอย่าโกรธนะให้ตั้งใจฟังดีๆเราจะสอนให้เป็นคนดีให้เป็นพระจะหล่อร้อมให้เป็นพระนะต้องอาศัยการบอกการสอนถ้าเราไม่สอนจะมัอวไม่อาจารย์หรือว่า อันเทววิชกของอาจารย์ถ้าอยู่กับเราเป็นสัตธิภาริยกของเราถ้าไปอยู่กับอาจารย์ก็ต้องอันเตววิชกของอาจารย์ต้องเคารพอาจารย์นะอย่างนี้พระบัมบวดี้ยกให้อาจารย์วเทพเป็นอันเทววิชกของอาจารย์วเทพอาจารย์วเทพก็เป็นอันเทววิชกของเขาหลวงตาเป็นภูมิชาเป็นสัตธิภาริยกของเรารับผิดชอบอย่ากลัวกันนะเวลาถูกบอกถูกสอนอย่าเมืินนายต่อคํำสอนนะชี้แจงตามๆไม่เจริญนะ สัญญากันอย่างนี้อยู่ด้วยกันนะงั้นเช่นได้ร้อยพวงมาลัยเรามาต่างตะกูลต่างป่านต่างถิ่นมาอยู่ด้วยกันน่ะทำให้ในของเราเหมือนเช่นได้ร้อยดอกไม้ดอกไม้ไม่จะเป็นต่างสีเมื่อว่าร้อยเข้ากันเป็นพวงมาลัยกลายเป็นราคาขึ้นมาเข้าเตือนอะไรฉันมีปัญญาเพื่อนเรามานะให้เวลาเตืองกันนะทุกดีมัย้อนอยู่กับเราอย่ากลัวกันนะอ่าว่ากัน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 มันก็เป็นบาปสองต่อมากกว่าคนที่โกรธก่อนพระเจ้าบอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนกันช่วยกันตรงนี้ะสามีปัญญากันต้องช่วยกันตรงนี้ถ้าไม่ช่วนกันตรงนี้ช่วยกันตรงนี้ไม่ถือว่ารักกันไม่ถือว่ารักกันเลยสำหรับตรงไั้นเกิดโกรธโกรธโกรธเพราว่ากันแตกเล่าสามชีความโกรธเท่านี้เปลี่ยนกันได้อ่าเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะเนี่ยไม่ใช่อยู่วัดอยู่กับชีวิตจิตใจของเรานะ